ความต่างระหว่างฝึกระงับความโกรธข้ามขั้นกับตามลําดับขั้นถามถ้าพยายามฝึกระงับความโกรธแต่บางทีก็รู้สึกแปลกๆครับคือช่วงหลังเวลาเจอคนด่าแทนที่จะโกรธกลับพอใจเหมือนมีความกระยิมยิ้มย่องหรือเหมือนสะใจที่ถูกว่าเสียให้หายเกิดความไม่แน่ใจว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งบางทีแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆ แต่ผมก็ยังเห็นตัวเองโกรธได้แบบหัวฟัดหัวเวียงอยู่ฟังดูแปลกๆนะครับแต่ก็เป็นอย่างนี้จริงๆอยากขอคำปรึกษาเพราะเดี๋ยวผิดพลาดขึ้นมาจะกลายเป็นคนติ้งต้องไปตอบเพื่อให้เข้าใจง่ายว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมขอแยกประเภทความโกรธคร่าวๆดังนี้ 1. โกรธธรรมดา ขาดสติหัวฟัดหูวเวียงกว่าไฟโกรธจะดับได้ต้องใช้เวลานานอันนี้เป็นเรื่องของคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่คิดฝึกสติสู้กับความโกรธ 2. โกรธแบบมีสติอ่อนๆคือเริ่มฝึกตั้งสติในช่วงแรกๆอาการจะเหมือนๆกันคือขาดสติก่อนแล้วสติค่อยตามมาทันทีหลัง ตอนโกรธอาจโกรธแรงแต่เมื่อมีสติแล้วถึงแม้กำลังจะอ่อนเพียงใดก็ยังผลให้จิตไม่ถลำเต็มเนียวไปโดนย่างในไฟโกรธแต่อาจอึดอัดทรมานจากการฝืนใจข่มโทสะบ้างนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดา 3. โกรธแบบมีสติเข้มแข็งคือฝึกตั้งสติบ่อย อาการจะขาสติก่อนเหมือนกันสติตามมาทันในภายหลังแต่ข้อแตกต่างที่ชัดเจนคือขั้นนี้จะโกรธไม่แรงแล้วไม่ถล่าแล้วไม่อึดอัดขัดแย้งกับการฝืนใจข่มโทสะมากแล้วพูดง่ายๆว่าเริ่มรับอานิสงส์จากการฝึกสติสู้ความโกรธแบบได้น้ำได้เนื้อมากขึ้นเรื่อยๆหน้าใสใจเบาได้ในทุกกรณี เจอคนข้างเคียงอาจไถ่าถามว่าทำอย่างไรจะเป็นสุขได้เท่าคุณบ้าง 4. โกรธแบบเหมือนไม่โกรธคือฝึกตั้งสติจนเป็นอัตโนมัติแล้วความโกรธเกิดปุ๊บสติเกิดทันกันปับ๊บไม่ใช่ว่าไม่โกรธเลยนะครับคนไม่โกรธเลยต้องปฏิบัติธรรมจนเป็นพระอนาคามีขึ้นไป คนธรรมดาหรือแม้อริยะสองชั้นต้นก็ยังโกรธได้อยู่เมื่อเจอเรื่องกระทบแต่จุดสำคัญคือเมื่อฝึกสติแล้วความโกรธย่อมครอบงามจิตผู้ฝึกไม่ได้ความโกรธย่อมก่อทุกข์ทรมานกระสับกระส่ายแม้ทางใจของผู้ฝึกไม่ได้เหมือนหมองูที่เก่งแม้ยังต้องอยู่ร่วมกับงูพิษในบ่อก็ไม่มีงูพิษหน้าไหนทาอันตรายเขาได้อีกแล้ว กลับมาถึงคำถามของคุณนะครับอาการแบบของคุณจะอยู่ในระหว่างข้อ3กับข้อ4คือจิตเริ่มฉลาดบ้างแล้วไม่เอาตัวเองไปย่างอยู่ในไฟโกรธแล้วแต่จะมีอาการเหมือนแกล้งยิ้มหรือกระยิมลำพองทำนองฆ่าชนะแล้วข้าไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาแล้วความกระยิมลำพองนั้นจึงก่อให้เกิดปีติแบบปลอมๆขึ้นมาเป็นปีติที่เหมือนฉีดแรง แต่หากสังเกตอย่างใกล้ชิดจะเห็นว่าพื้นฐานเบื้องหลังเป็นเพียงความสุกเก๋ๆหาความสัต์จริงไม่ได้วันดีคืนดีอาจลุกพลึบเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาได้อีกเสมอที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำหลักการฝึกสตินั้นเวลาเราวางเฉยไม่ได้แกล้งวางเฉยกับเรื่องข้างนอกนะครับแต่ให้วางเฉยกับความโกรธข้างในตัวเองต่างหาก คือพอความโกรธปรากฏก็ยอมรับว่าความโกรธปรากฏไม่ใช่เป็กแกล้งบอกตัวเองว่าความโกรธไม่ปรากฏเราแน่เราไม่โกรธเราไม่ถือสาจากนั้นจึงเห็นให้ได้ตามจริงว่าความโกรธนั้นมีลักษณะแปรปรวนเป็นธรรมดาต่อให้เรานึกสนุกอยากอมทุกข์จากความโกรธไว้ไม่ปล่อยอย่างไร ความโกรธก็ต้องสลายหายไปอยู่ดีในทางตรงข้ามถ้ากำลังส่งของเหตุปัจจัยยังแรงต่อให้เราอยากขับไล่ความโกรธออกจากจิตใจเราให้พ้นความโกรธนั้นก็จะยังแสดงตัวเป็นไฟผลานล่นเราอยู่ดีอีกประการหนึ่งหลายคนมักคิดแบบก้าวกระโดดคือฉันจะฝึกตน ไม่ให้เป็นผู้ถือโกรธอย่างสิ้นเชิงการฝึกสติตามลำดับขั้นนั้นที่ถูกคือหนึ่งถือศีลคือตั้งใจถือศีลข้อที่เกี่ยวกับความโกรธให้ได้ก่อนคือแม้โกรธแค่ไหนก็ไม่ฆ่าไม่ทำร้ายตัวเจตนารักษาศีลให้ได้สะอาดผ่องแผ้วนั่นแหละสติขั้นพื้นฐาน ที่พร้อมให้ต่อยอดขึ้นไป 2. คิดเป็นเมตตาคือพิจารณาด้วยความคิดด้วยการคำนึงนึกให้เห็นโทษเห็นภัยเห็นความไร้สาระของไฟโกรธรู้ตามจริงว่าเรื่องร้ายแรงหรือคำด่าร้ายกาศขนาดไหนก็เป็นแค่ของหยาบของไร้ราคาประดุดเกลือไม่คุ้มกันกับความสุขทางใจของเรา ซึ่งเปรียบเหมือนพิมพเสนเอาไปแลกกันให้โง่ทำไมเมื่อใจยอมรับจริงๆคุณจะรู้สึกว่าจิตใจนุ่มนวลเยือกเย็นและปล่อยคิดกับคนที่ทำให้เราโกรธในทางดีได้ไม่ยากเลย 3. มมีสติรู้ความไม่เที่ยงนี่เป็นขั้นสุดท้ายที่ปีกกล้าขาแข็งแล้ว คือเมื่อมีเรื่องให้ต้องโกรธก็ยอมรับความจริงว่าความโกรธเกิดขึ้นแต่ไม่ยินร้ายและก็ไม่ยินดีกับความโกรธนั้นแค่ตั้งสติรู้อยู่ว่าความโกรธเป็นอย่างไรจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปค่อยดูอีกทีว่าความไม่โกรธเป็นอย่างไรเมื่อเห็นความต่างชัดๆก็จะบังเกิดความประหลาดใจว่าเออความโกรธมันไม่ใช่เราเนี่ ตัวเรากับความโกรธมันคนละตัวกันนี่หวังว่าคงเข้าใจและมีความสุขกับหลักการของพระพุทธเจ้าทั่วหน้ากันนะครับ